ตอนชีวิตก่อนบรรลุธรรมยี่สิบปีที่พักครูอยู่ที่ศูนย์เมื่อถึงปีที่แล้วนะเราก็อยู่ของเราเงียบๆมาออความรู้สึกข้างในก็บอกว่าถึงเวลาแล้วต้องออกไปข้างนอกบ้างพักครูพกครูก็ถามถามในสิ่งที่มันบอกว่าถึงเวลาแล้วว่าออกไปไหนออกไปทำอะไรนะ ก็เรารู้อยู่แล้วว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมช่วยไม่ได้ออกไปทําไมเขาก็ตอบกําปั้นทุบดินบอกว่าทําเพราะทำก็ตกเป็นคําเก่าอีกทำเพราะธรรมะธรรมะคือหน้าที่ว่เมื่อตอบอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามต่อก็คือทําเพราะทำออกไปก็ออกไปโดยไม่กล้าคาดหวังอะไรคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมช่วยไม่ได้ เรามีหน้าที่ไปให้การให้เป็นหน้าที่ของเราพุทธศาสนิกชนที่มีนิพพานเป็นเป้าหมายก็การไปสู่นิพพานเนี่ยจริงๆง่ายมากนะทุบวันนี้กว่าเด็กๆเนี่ยที่จะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกจากอนุบาลลงนับไปดูเกือบยี่สิบปียี่สิบกว่าปีถ้าชีวิตเราเฉลีย่ยอยู่ระหว่างหกสิบปีเกษียณอายุหรือยังไงเนี่ยนะ มันเลยหนึ่งในสามของชีวิตที่ต้องไปเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้แจะเรียนรู้วิชาหาเงินส่วนมากทุกวันนี้ไปเรียนหนังสือก็เรียนวิชาชีพอาชีพอาศัยอย่างชีพอยู่ได้ไม่ตายถ้าเป็นอาชีพนะแค่นั้นเองนะคืออาศัยอย่างชีพอยู่ได้ไม่ตายแต่ทุกวันนี้เป็นเรื่องใหญ่วิชาชีพ เป็นเกือบทั้งหมดของชีวิตเรียนไปเกือบพึ่งพอนชีวิตเนี่ยเพื่อเอาไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีพนะอาชีพไม่สำคัญไหมสำคัญเป็นหนึ่งในแปดอาชีพสัมมาอาชีวะแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ตอนนี้สังเกตดูนะชีวิตคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาปุ๊บจําความได้คุณพ่อคุณแม่สอนก็ส่งไปโรงเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนวิชาหาเงินต้องผ่านการหาเงินก่อนก็เอาเงินมาดํารงชีวิตนะแล้วก็แค่นั้นเองจริงๆเกือบแค่นั้นเองนะบางคนก็เรียนวิชาหาเงินเก่งมากก็จบออกมาก็หาเงินเก่งจริงๆรงวย จนเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาของโลกนะก็หายอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ยังไปทนทุกข์เหมือนเก่าเพราะเรียนรู้แต่วิชาหาเงินไมไ่เรียนรู้วิชาชีวิตไม่ได้เรียนรู้วิชาบริหารชีวิตนะชีวิตยังก็ผ่านไปลนะนะพราครูกนถูกสอ น, เ ร, นเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆก็เอา เอาเอาเงินมาซื้อความสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกสุขอันนี้เป็นต้นความคิดของพวกชาวตะวันตกนะก็คือว่าถ้ามีเงินแล้วก็ซื้อความสะดวกคอนวีเนีย e แล้วก็รู้สึกสบายที่ comfortable แล้วก็รู้สึก happiness นั่นแหละเขาแปลว่านั่นคือความสุข เรถูกตั้งโจทย์อย่างนี้ตั้งแต่เล็กจริงๆเลยก็เลี้ยงเก่งๆแล้วก็ไปหาเงินเยอะๆแล้วเอาเงินมาซื้อความสะดวกสบายแล้วรู้สึกสุขกบเกิดในความรู้สึกทุกข์ไว้เดี๋ยวเบื่อมามันทุกข์อีกก็เอาอีกก็ไปซื้อความสะดวกสบายความสบใจความปึงพอใจความสนุกสนานเพลินเพลินมากบเกินความทุกข์เหมือนปวดหัวปุ๊บก็กินยาแก้ปวดปุ๊บนะฮะเนื่องจากความอยากได้ก็คิดต่อ ที่คิดต่อพอลิตยามันหมดปุ๊บมันก็ปวดอีกก็กินยาแก้ปวดอีกชีวิตเราเดินไปตามกระแสตรงนี้ตลอดแก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุปลายเหตุนะทีนี้พ่อครูพูดเสียงดังๆเลยว่ายี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่เคยปวดหัวเลยในขณะที่ในอดีตเนี่ยเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพาะ อย่างแรงด้วยนะอย่างแรงแบบแบบแบบแรงแรงแหลยเพราะว่าความเครียดเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่คําว่าคิดเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราก็เรียกเป็นการสร้างกรรมทางความคิดคือมโนกรรมเมื่อมันมั น, ม, นมันสร้างกรรมแล้วมันก็ต้องรับผลของกรรมนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดแต่เรื่องดีๆฉันคิดแต่เรื่องดีๆนั่นแหละไอ้ตัวดีๆนี่นแหละตัวลาย ไอ้ตัวดีๆเนี่ยร้ายมากนะคำว่าดีของเราคือเราถูกใส่โปรแกรมเข้าไปว่าเออคิดแต่เรื่องทําดีก็คือสร้างสรรสร้างสรรสร้างสรรสร้างสรรในที่นี้สมน้ำไปจบอยู่ที่วัตถุไงแต่ในทางโลกเราบอกว่าดีไงคนขยันคนรับผิดชอบคนหาเงินคนโอ้ไฟแต่ดีดีของเราคือว่าต้องทําแล้วมันได้เงินแล้วก็ดีเห็นไหมผลของมันก็คือปวดหัวไงอาการไม่เชนิี๊จีจ๊ด เราก็ไปซื้ อ, อยามากดมันไว้ไม่ให้มันรู้สึกเจ็บไม่ใช่มันหายนะมาละงับประสาทไม่ให้มันรู้สึกเจ็บเท่านั้นเองไม่ให้ประสาทมันส่งไปให้วิญญาณรับรู้ว่ามันเจ็บอย่างไรแล้วก็คิดต่อเพราะความอยากได้ของเราทีนี่เรื่องนี้เราดูได้ยังไงสมัยก่อนนี่รู้ไม่ได้พอเราคิดปุ๊บเราก็คิดตามภาษาเราเป็นคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยมาคิดพรั่งเราก็ใช้ภาษาฝรั่งมาคิด คนจีก็ใช้ภาษาปะจีนมากิจภาษานี่มันเป็นสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นและบังเอิญเราเกิดอยู่ในยุคไอทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันเราก็คิดนอกกรอบนี้ไม่เป็นมาคิดนอกกรอบไม่ได้นะมันก็ถูกภาษานั้นบล็อกไว้เป็นบว่วนงะบังเอิญก็เป็นบุญเก่าจริงๆ นะสี่สิบปีที่วิ่งไปตามโลกมีแรงมากเป็นคนแรงทาอะไรแรงๆและซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์ต่อคำสอนที่สังคมเขาสอนเราเริ่มจากคนที่รักเราที่สุดนะ่ะคนที่ให้ชีวิตเรามาคือคุณพ่อคุณแม่เพราะอยากให้เราเป็นคนดีคนดีในที่นี้ต้องเก่งหาเงินเราก็ซื่อสัตย์ในความเป็นคนดีมาหาเงินหาเงินหาเงิน แล้วก็สอนว่าพอมีเงินแล้วมันก็มีความเอาเงินไปซื้อความสะดวกแล้วก็สบายนั่นคือความสุขแล้วก็ซื้อสัต ม, มากแล้วก็ทำตามที่ถูกสอนมานะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้านะเพื่อให้ความมีความรู้สึกว่ามันพอใจมันสะดวกสบายและมันพอใจและนั่นคือความสุขแต่พอถึงเวลาที่บอกว่าสี่สิบปีวิ่งไปอย่างซื่อสั ก็มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่อเมริกานะถ้าในทางสังคมโลกก็คือว่าเป็นเวทีใหญ่นะถ้านักมวยก็รุ่นเฮฟวีเวทอยู่ตรงนั้นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พวกระดับโลกสู้กันที่ น, นู้นทีแรกก็สู้ไปด้วยทุกไปด้วยมันในอารมณ์ไปด้วยเพราะเราเคยเป็นนักสู้เราถูกสอนเหมือนนักมวยนะนะั่นแหละ สัญชาตยา น, นักมวยก็ขอขึ้นให้ได้ชกนะขอให้ได้ชกมันมันดีนะพอชกชนะแล้วเนี่ยคนที่จูยกมือขึ้นเนี่ยะก็เกือบตายหายใจเกือบไม่ออกเหมือนกันนะแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บแต่เราก็คิดนอกกรอบไม่ได้เพราะว่าก็เราถูกสอนให้เป็นนักมวยถึงเวลาก็ต้องขึ้นชกถ้าไม่ขึ้นชกนี่มันยิ่งทุกข์มาก มันเป็นสัญชาตญาณแหละถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นชกแล้วมันเบื่อแต่ชกอยากชนะพอแพ้แล้วก็ผิดหวังก็ทุกข์ชนะแล้วก็มีความรู้สึกชั่วคู่เหมือนสะใจเหมือนชนะแล้วจะเกือบตายเหมือนกันนะแทบแย่เหมือนกันแย่แพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บทีนี้พ่อครูก็พยายามหาคำตอบอยู่เกือบแปดปีเต็ ม, เ, ตมเอ๊ะ ม, มันมันผิดปกติอย่างไร เขาเคยสอนบอกว่าถ้ารวยแล้วก็มีความสุขหนะแล้วทําไมมันไม่สุขนะทาทุกอย่างทาทุกอย่างเพื่อซื้อความสุขนะเออมันมันรู้สึกว่ามันไม่สุขแล้วทีนี้เราก็ตั้งโจทยรว่าแล้วแบบไหนมันคือสุขแทร้รูปล่างหน้าตามันเป็นอย่างไรมันมีกี่แขนมันมีกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรไอ้ตัวความสุขนี่นะ ก็พอคิดปุมันก็ติดบ่วงในภาษาเหมือนเก่าดนง่แหละมันก็คิดนอกกรอบภาษาไม่เป็นะนะมันก็หาตัวความสุขไม่เจอพ่อครูก็นานๆจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังทีหนึ่งเพื่อเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุทาหรณ์นะให้พวกเราสัมผัสอารมณ์ันให้ได้ว่าสิ่งนั้นมันมีจริงคืนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกครูนั้นก็กลางวันเราไปบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์กันนะ เป็นคนไทยรุ่นแรกที่อยู่เมริกาที่กล้าหาญมากไม่เคยเรียนมาเลยอเทคโนโลยีพวกนี้เนะี่ยก็เป็นเกิดขึ้นใหม่ๆ ใ, ในโลกใบนี้นะเปิดร้านอาหารก็คนเต็มไปหมดเราไปริ้มรเอการทํางานทีินน่ะเดินทํางานไม่ทันนะ่ะทินนล์ต้องวิ่งทํางานนะยังไม่เปิดร้านมายืนแดงแถวรอกัอนและวนะเขาก็ขี้เห่อเหมือนกันนะ่ะพอได้สีด่ดาวคนมายืนแดงแถวนะ ต้องวิ่งทำงานกันทุกแผ น, น ย, ยังไม่พอไปเปิดธุรกิจคอมพิวเตอร์ขายดีไปทั่วโลกอีกดูให้เ ป, เป็นยังไงมันจะทำให้เราเห็นความสุขที่แท้จริงเงินเต็มบ้านเลยเนี่ยแต่มันไม่มันไม่สุขแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องกิจกรรมที่เราทำครอบครัวก็มีปัญหาแล้วก็ถามตัวเองทุกอย่านก็มีหมดและจะทำอะไรก็ทำได้สาใจหมดแล้วแล้วทำมไ ม, ไม่สุข ทีนี้เราก็มองย้อนกลับมาคืนว่าเออไอที่มันไม่สุขเราเรียกว่าเราทุกข์ใช่ไหมและไอตัวทุกข์นี่ยรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างไรอีกเราก็มาดูอีกมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรเราก็หามันไม่เจอเหมือนเก่าทุกข์โดยไม่รู้เหตุผลนะก็ไม่รู้อีกว่ามันทุกข์เพราะอะไรนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเป็นอารมณ์ที่มันว้าวุ่นสับสนไม่มีคําตอบในชีวิตเพราะเราถูกตั้งโจทย์มาตั้งแต่เด็กไง ถ้ารวยแล้วก็คือสุขพอไปถึงตรงนั้นมันไม่สุขมันหาตัวสุขไม่เจอไอความรู้สึกทุกทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าทาไมมันทุกข์กันนะมันอารมณ์คล้ายๆว่ามันเบื่อหน่ายเราก็เป็นคนในสังคมตั้งแต่ตัวมาก็ถูกสอนให้ค่อนข้างจะอวดเก่งไปหลงติดในความเก่งความสามารถตัวเองนะก็อยากจะเก่งนะ พอเก่งชนะแล้วสาเร็จแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจบ้างก็เอาความภาคภูมิใจมากบเกือนพอมนถึงจุดอิ่ตัวตอนนั้นแหละความภาคภูมิใจนั้นอ่ะก็ชดเชยความรู้สึกเบื่อไม่ได้มันเบื่อหน่ายมากมันก็พี่นา ว, ว่าถ้าชีวิตเราเกิดมาแค่นี้เองนะมาทำอยู่แค่นี้ตื่นเช้าก็มาก็หาเงินหาเงินพอเบื่อมาก็วิง่ง บินไปที่ไหนก็ได้เอาเงินไปซื้อความสะดวกสบายสนุกสนาส น, ก, นาก็ปกเกินความเบื่อพอกลับมาใหม่มาทาอีกอารมณ์เบื่อมันก็เกิดขึ้นอีกเหมือนมันจำเจซ้าซากที่ว่่ชีวิตเราถ้าเกิดมาแค่นี้นะไม่เล่นเก่งๆมาหาเงินเยอะๆแล้วก็มาซื้อความสะดวกแล้วก็สบายแค่นั้นเองมันไยลิงลิงไม่ต้องเรียนหนังสือเลยไม่ต้องทางานไม่ต้องมีเจ้านี่ลูกนี่ มันเบามากมันลิงโรดมันตีลังกาได้แล้วก็พิจารณาเรื่องลิงอยูอ่แล้วก็มนุษย์เราเป็นตัดเปรศเนี่ยก็ยังแพ้ลิงเลยทําไมเราหนักทําไมเราต้องหนักกว่าลิงอีกเห็นไหมลิงมันเบามากลิงโรดเห็นไหมมันดิงโรดมันตีมากหาคาตอบอย่างไรก็หาไม่เจอก็คืนนั้น พอเด็กๆเขาเขียนบัญชีเสร็จอยู่ในร้านอาหารนะกัางวันไปบริหารคอมพิวเตอร์กลางคืนก็แยกร้านอาหารไปดูแลคนละร้านกันงคืนก็กลับบ้านก็ขิวถุงเงินกลับบ้านทุกวันเพราะกว่าไปถึงบ้านเที่ยงคืนไปกว่าถึงบ้านก็เที่ยงคืนครึ่งเกือบตีหนึ่งนะพอร้านอาหารกับที่ทํางานมันก็ห่างกันพอถึงถุงเงินก็เต็มบ้านยัดที่ไหนยัดเจนนีนมันไม่มีอะไรจะยัดทันแล้วมันก็เต็ม มันไม่มีเวลาที่จะไปจัดการเรื่องเงินมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะจนวันหนึ่งไอ้ถุงเงินมันขาดโดยมแมลงสาบหรือว่ามีหนูหรือเปล่ามาถูบถุงมันขาดเม้นไม่หมดเลยเราก็พินาตอนนั้นมีสี่นะดูไว้เราไม่ได้ดูถูกเงินนะเราไม่ได้เม็นเงินนะแต่เงินมันเม้นมากขอทานก็จับเสรษสีก็จับ หล้างจานก็จับเพขยะ ก, ก็จับมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นเลยแต่ว่าคนทั้งหมดเนี่ยทำไมชอบมันจับยิ่งทุกข์อีกอยากได้เงินมาแล้วก็มาเหม็นมันอีกนะทีนี้ไอความอยากของเราเนี่ยก็ไม่เชื่อใครเลยไม่ได้เงินคนอื่นเราไม่เชื่อแต่ต้องไม่ได้ก็ทิ้งมันเต็มบ้านนะก็คืนนั้นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วมันเบื่อสุดๆนะเอาละเทียบบัญชีเสร็จก็ถุงเงินดี่างงี้ก็หิ้วกับบ้านเหมือนเก่าอยู่กับบ้าน ร้านอาหารเราแต่งเป็นแบบเรือนไทยอะนะมีมีขันโตที่ว่านั่งกินกับพื้นอะไรอะไรพวกต่างชาติพวกฝรั่งเขาก็เออเอือกันเขาก็ไปนั่งแล้วก็มีแท่านพระพุทธรูปพระครูก็มีหิ้งพระภาษาอีสานหมดหิ้งพระข้างบนก็ลงไปกราบเที่ยงคืนพอดีฮนะเที่ยงคืนพอดีลงไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเรื่องดุดเรื่องพ้นมีจริงเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็ดื้อมากตอนนั้นอายุสี่สิบพอดีนะฝรั่งบอกสี่สิบเพิ่งเริ่มต้นกำลังมีประสบการณ์เยอะกำลังจะทำงานใหญ่ถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงต้องช่วยให้พ้นทุกข์ท้า่ายพระองค์ถ้าไม่ช่วยไม่เชื่อถูกบังคับให้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่กําเนิดแต่ไม่รู้ว่าพระองค์สอนอะไร สมัยอยู่อุบลเนี่ยก็เล่นการเมืองนะเมุ่งจงกันเมืองท้องถิ่นเป็นสจสอบสอ ส, รสรออะไรๆทาบุญสร้างวัดเยอะเหมือนกันเพียงแค่อยากเป็นผู้แทนไม่รู้หรอกบุญคืออะไรวิดาทีนั้นมันเจอทางต่างก็ลงไปทําอะไรบ้าๆบอๆดูสักครั้งหนึ่งเพราะมันไม่มีทางออกเพราะเคยไปกราบธรรมการกูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่ท่านเดินทางจากเมืองไทยเนี่ยไปที่น่นนะ ก็ไปกราบเรียนถานท่านไปเนี่ยไม่ได้เชื่อนะเพราะคุณหลวงน้องชายน่ะเขามุ่งไปที่กลุ่มน้องชายเลยไปห่วงว่าเอ๊ะทีมนี้จะมาทําไมมีพระภิกษุสองลูกโยมอีกแปดคนไปตอนนั้นในสมองเรามีแต่เรื่องธุรกิจนิยมเรื่องได้เรื่องเสียกลัวแต่เรื่องถูกหลอกลวงอะไรเนี่ยเนี่ยก็ไปนั่งฟังท่านพูดเรื่องจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรม ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจิตมันคืออะไรมันหลุดพ้นไปไหนดวงตาเห็นธรมธรมธรรมะในที่นี้เนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรมันมีกี่แนขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรไม่รู้ก็ไปเรียนถามท่านว่าได้อะไรเพราะตอนนั้นเราคิดเราเป็นนักธุรกิจนิยมเงเราทำแล้วต้องได้อะไรถ้าทำแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ต้องถามว่าได้อะไรถามสั้นๆท่านก็ตอบสั้นๆว่ามันพ้นทุกข์ สนใจครั้งนี้มากเพราะว่ามันทุกข์เลยแล้วมันทุกข์ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อีกรู้แต่ว่าอาการที่มันไม่เบิกบานมันไม่สุขนั่นมันคือความทุกข์แล้วก็ทุกข์โดยอะไรก็ไม่รู้นะพระครูถึงบอกว่าถ้ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยช้างดึงไว้ก็ไม่อยู่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยเห็นแค่ไหนมันก็ไม่ไป คือนั่งที่ว่ามันสุกงอมที่สุดอะหลังจากพระครูลงไปกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วละ้าทายพระองค์ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงต้องช่วยให้คนตุกถ้าไม่ช่วยไม่เชื่อดีไม่ดีเปลี่ยนศาสนาใหม่เลยเพราะนับถือไปก็ไม่มีประโยชน์ไงมีแตสอนให้ทําบุญทำบุญมาก็ทําบุญทําบุญทําบุญเพราะอยากเป็นผู้แทนอยากดังอยากมีชื่อเสียงเท่านั้นเองก็ขาขวาทับขาซ้ายมือกวาทับมือซ้ายเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่นั่งสมาธิมีแต่ไปดูเขานะแล้วไปถามคำเดียวเลยว่าได้อะไรก็จำคำว่าพนทุกเนี่ยเพราะวันนั้นมันทุกจริงๆทุกจนเบื่อเบื่อเบื่อแบบไม่มีเหตุผลเลยละ่ะทุกมากนะก็เลยบอกว่าอยากให้มันพ้นทุกหลังจากหลับตาได้พับนหนึ่งบังเอิญเสียงแอร์มันดังนะแล้วก็เราเพิ่งเปลี่ยนแอร์ใหม่ๆ เปลี่ยนไม่นานนี้เองมันก็พี่นายแอร์ยี่ห้อนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆทํามันเสียงดังจังเลยนะเพราะเราคิดแค่นั้นเองพี่นายอยู่มันเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นมีอะไรพลังอย่างหนึ่งมันหมุนติวติวติวติติวติติติขึ้นมาล่ะทีนี้มันก็มันก็วงก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นที่เ่มหมุนอย่างนี้เหมือนมุนขึ้นข้างบนอย่างนี้นะตัวเราก็เต้นเต้นเต้นเต้นเหมือนคนเข้าทรง่ะจับจับจับจับจับจับแล้วก็ดูมันดูมันดูมัน ดูมันดูมันเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเหมือนรถกระแทกถนนอ่ะตังตั้งตั้งนะสักทักหนึ่งเหมือนในรถที่มันมันล้างถนนรถฟอกถนนอ่ะหมุนเหมือนเครื่องสักผ้าอย่างนี้นะมันก็มันกมันมันหมุนอย่างนี้ก็กลับมาหมุนข้างๆอย่างนี้หมุนหมุนหมุนมุนมุนมุนมุขึ้นาหมนก็ปุ๊มปุ๊บออกตะลักังเหมือนเหมือนมันมีไอร้อนหรืออะไรออกทุก พบแต่ละคังเหมือนตัวเราลอยได้เหมือนเราห่อได้อนะไม่ได้ลืมตาว่ามันลอยได้ขึ้นมาเป่าแต่มันเบาเบาเบาเบาเบาเบาทีนี้ก็เหมือนรถฉีดน้ำนี่ฉีดตั้งแต่ปลายเท้านี่ขึ้นมาตรงเส้นผมนี่มันเหมือนเครื่องเจาะเจะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะทุกทุกเส้นผมเลยวินาทีนั้นมี ส, สติตลอดรู้ตัวตลอดะแต่มันมีพลังอย่างหนึ่งกาลังทําอะไรของเขาก็ไม่รู้เพราก็เจาะเจาะเจะอยูอ่ทีนี้ มันแวบขึ้นมามันกลัวมันกลัวว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเวลานั้นนะ่ะครอบครัวจะทําอย่างไรเพราะเวลานั้นนะ่ะลูกสาวคนโตคือน้องทีเนี่ยอายุขวบหนึ่งอายุขวบหนึ่งพอเรากลัวปุ๊บมันมาสั่นที่หัวสั่นแรงมากมันมาสั่นที่หัวความรู้สึกเวลานั้นคือมันไม่มีกระดูกแล้วมันหมุนรอบ แต่จริงๆแล้วน่าจะแค่นี้อ่ะนะแต่เรารู้สึกว่ามันหมุนรอบเราหยุดไม่ได้ละมันมันสั่นไอ้ความกลัวนั้นจนมันหมุนรอบจนความกลัวนั้นมันหายไปและวไอ้ความรู้สึกทุกข์ที่เราทุกข์เนี่ยมันลอยขึ้นมาไหนบอกว่าทุกข์เนีเฮ้ยตายก็ดีเหมือนกันอนะ่ะมันเบื่อมากไนละพอเราพูดคําพอเรายอมคำนี้ปุ๊บมันระเบดิดตุ้มลงไปข้างหลังนิ่งลงไปเลย วินาทีนั้นน่ะสมัยก่อนภาษาเขาพูดยังไงเราไม่รู้หรอกแต่ช่วงหลังมารู้ว่าอารมณ์นั้นคล้ายๆว่าที่บอกว่าสงบสว่างสาดอะไรกันงไม่ใช่เรารู้สึกนะตัวเราไม่มีไอ้ตัวสะอาดสงบสว่างนั้นคือคือเรานั่นแหละ แ, แล้วลืมตายอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็แปลกนะตีสามพอดี แต่อาการที่มันเกิดคล้ายๆระเบิดนั่นน่ะอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตีสอง ก, กว่าเพราะลืมตาขึ้นมามันก็ยังสว่างเหมือนเก่าหลับตาลงมันก็สว่างเหมือนเก่าลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ลืมตาหลับตามันก็สว่างเหมือนเก่าไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในก็ลุกขึ้นมาก็เดินไปเพราะแอร์ในห้องอาหารเนะี่ยมันเย็นกันหมดนะแต่ว่าเงื่อนิดเต็มไมหมดเลยนะ เวลาลุกขึ้นมาเดินไปดื่มน้ำน่ะเหมือนคนห่อได้เหมือนคนไม่มีน้ำหนักเป็นครั้งแรกที่เราสัมผัสคำว่าสบายสบายสบายที่สุดเลยเพราะว่าไม่ต้องแบกน้ำหนักตัวเองด้วยแล้วก็ตัวเราไม่มีคนไม่มีกังวลอะไรเลยไม่มีอะไรไมีแต่ตัวรู้สึกเดินเข้าไปไปดื่มน้าเมื่อดื่มน้ำเสร็จใจความเคยชินเนี่ยกิเลสคือความเคยชิน ที่สู่บุรีมา20กว่าปีวันหนึ่งสามสี่งก่อนจะนั่งคืนนั้นหน่ะบุรียังอยู่ในกระเป๋ายังโกหกลูกค้ามาว่ายังโกหกลูกค้ามาอาหารเราไม่ได้ใส่ผงชูรไสไปตรวจดูในครัวไม่มีจริงๆแต่มันมาใส่มาตั้งแต่มันผสมอย่างนี้นจิ้มเนี่ยเราคิดไว้ว่าการเป็นพ่อค้าในการโกหกเป็นเรื่องที่ดี ทำไรยเป็นเรื่องที่ดีได้เสียเป็นเรื่องที่ดีชนะเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละเราถูกสอนมาในยุคทุนนิยมวัตถุนิยมความไปชินก็เอาบุหรี่ขึ้นมาสูบมันเหม็นสูบเหม็นไม่ได้มันเหม็นในยี่สิบกว่าปีนั้นพยายามเลิกอยู่สี่ครั้งเลิกแบบจริงจอังจังนะสมัยเป็นนักการเมืองที่ขุบนเนี่ยนะตกลงกับเพื่อน อะจะเลิกบุหรี่กันก็ซื้อยาอมมาอมทําได้ไม่กี่วันนะอมไปอมมาอมด้วยสูบด้วยอ่นะบอกเฮ้ยมันจะไม่ใช่เป็นมะเร็งตายจะเป็นเบาหวานตายก่อนนะนะแพ้แพ้แพเราเ อ, อสํานึกเราก็รู้สมองรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีสมองรู้แต่จิตไม่รู้มันช่วความอยากไม่ได้น่ะสี่ครั้งไม่สําเร็จ ต่วินาทีนั้นมันสู่ไม่ได้มันเหม็นกระทิงมันต้องไม่ต้องไปหาเหตุผลแล้วก็สู่ไม่ได้กด็ดีละไงกับทิงนั่นละฮะมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนั้นเลยทีนี้เมื่อสู่ไม่ได้แล้วก็เดินกลับไปที่ท่านพระพุทธลูกอะลงไปกราบตอนนี้กราบสวยมากเกิดมาไม่เคยกราบสวยขนาด น, นั้นเตอนนั้นจับจจ<ง>ับจ <c oughs> ับให้มันเสร็จไปจับจับจจับให้มันเสร็จไปะวินาทีนั้นกราบแบบเกิดมาไม่เคยกราบสวยขนาด น, นั้นกราบกราบละเอียดถอนมาก แล้วก็ขนก็ลุกสู้ขึ้นมาหมดเลยตอนนั้นภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าไรไม่รู้นะนี่ความรู้สึกว่าเราเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทันทีเวลานั้นน่ะ น, นะมนไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะทําไมถึงคิดอย่างนั้นเวลานั้นรู้สึกว่าคําว่านับถือมันอยากไปบูชาถวายชีวิตงพงเพราะคําว่านับถืออยากไปนะ ก็มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะทีนี้ก็กลาบเสร็จก็ลุกกันมาก็กลับบ้านขับรถไปที่บ้านไปอาบน้ําไอ้สบู่ที่เราใช้มาตั้งหลายปีเนี่ยนะไอ้คืนนั้นเน่ยมันเกิดเกิดที่กลินทการขึ้นมานะอาบแล้วก็ถูคือล้างยังไงก็ตั้งเหมือนสบู่ไม่ออกมันลื่นไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเอาไม่ออกไม่ออกก็เช็ดตัวไปเปลี่ยนชุดขับรถไปที่อยู่ กี่ ป, ป, ปไม่เคยไปวัดไทยนะตั้งแต่อยู่จุน่นลเขาตั้งแต่ไปใหม่ๆก็เคยให้น้องพาไปเที่ยวจิมแล้วไม่เคยไปเลยตอนเช้าเขาก็เปิดทาวัดเช้าอะไรอะไรเนี่ยพอเข้าไปตรงนั้นแ่ะเสียงมันมากระทบหูมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าไปข้างในระบบประสาทระบบอะไรเราเปลี่ยนหมด่เปลี่ยนไปหมดเลยนะนั่นแหละฮะคือความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก็ สามคืนสี่วันนั้นอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าพูดอย่างนี้เป็นภาษาไทยแสดงว่าเราทุกข์มากเพราะมันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับคือมันกินไม่ได้เพราะว่ามันไม่หิวมันนอนไม่หลับเพราะมันไม่ง่วงแล้วมันนอนไม่ได้เพราะมันสว่างแล้วมันก็ไม่ง่วงมันก็ไม่หิว ถ้าในชีวิตทางโลกเราถ้ากินไม่ได้เนี่ยบางทีพานนอนไม่ได้ผ่านให้กินเออ่กินไม่ได้อีกกินไม่ได้พานให้นอนไม่หลับอีกนะเป็นเรื่องทิศทุกมากอันนี้เขาทาให้เรารู้ให้ให้เราดูว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็สุขไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกหิวอ่ะเขานอนแล้วก็รู้ว่านอนมันมืดแล้วก็รู้ว่ามันมืดแต่ของเรามันไม่มืดของเรามันไม่มืด กลางคืนมื่อเขานอนแล้วของเราหลับมันก็นสว่างเหมือนเก่าวันที่สี่ตอนเช้าเนี่ยเออขาตื่นเห็นเขาตื่นกันแล้วเพราะครูทํานเพรพก็ครูกน็นั่งนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆปกติมันจะนั่งอยู่เฉยๆเกินได้สิบห้านาทีหรือเปล่าเราเป็นนักการทํางานมันก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งแบบนี้อยู่เฉยๆนะคือลืมตาหลับตามันมีค่าเท่ากันเพราะมันสว่างเราก็รู้ว่า วันที่วันวันที่สี่ตอนเช้าเขาตื่นกันแล้ะก็ลุกขึ้นไปก็จะเดินไปห้องน้ำมันเกิดแรงเวียงอีกมันจะลมมันมันมันจะลมก็ลงไปนอนเป็นปลงไปนั่งที่พืนมันก็ระเบิดอีกทีหนึง่งต้องงายลงไปนิ่งเลยตอนนี้นิ่งเลยแสงสว่างนั้นหายไปในสามวันนั้นที่มันไม่ได้นอนสาคืนนั้น มีเรื่องอะไรที่มันค้างคาอยู่เนี่ยเฮ้ยอันนั้นคู่อริเราทางการเมืองเนี่ยนะแค้นมันมากมันบอกอภัยทานคุณพ่อหายจาบศูนไปทั้งหลายปีเออตอนนี้ไปไห น, นเกิดแก่เจ็บตายเพราคูเรียกว่าตัวไดโวมันกินหมดเลยมันล้างล้างลาง้ล า, งลางหมดเลยเยฮ้ยหัวเข่าเราเคยเกิดเราเป็นนักเล่นรถนะ่ะขาสั้นๆตัวเตี้ ย, ยชอบเล่นรถสปอร์ตเล่นอะไรใช้มากมันเจ็บ มันเหมือนแสงเลเซอร์ตัวนี้มันมันบอกหายแล้วแล้วมันก็หายแล้วมันล้างที่หมดเลยไม่มีอะไรเหลือนะไม่มีข้อสงสัยแม้แต่หนึ่งข้อพอเช้านั้นละ่ะมันเกิดอาการระเบิดอีกทีหนึ่งนิ่งลงไปมันก็นิ่งนิ่งสว่างแสงส่วนก็หายไปชีวิตเรากลับมาเป็นปกติแต่ปกติในที่นี้เนี่ย มันเป็นปกติตามธรรมชาติของมันไม่ใช่ปกติที่เราเคยชินแบบนั้นไม่ใช่ปกติแบบนั้นมันกลับไปสู่สภาวาปะปกติที่เป็นธรรมชาติเบาเบาตัวเบาจนก็ขับรถไปสันักงานไปบริษัทไปเคลียร์งานอะไรๆก็มอบให้น้องๆเขาไปหมดที่อันี้ที่เราต้องรับผิดชอบร้านอาหารล้วที่เราไปจับจ้างผู้จัดการเขาดูแลเลยไม่ลังเลสงสัยไม่ต้องไปคิดว่าทาไม ก็มันเห็นอยู่แล้วเราจะไปย้อนหลังไปห่วงอะไรเลยเหมือนเราไฟหา ไ, หไหม้บ้านนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งให้ฉันจะหนีไหมบ้านหลังเราเป็นลอยลอยลานยังจะหนีหรือเปล่าไม่ไม่ไมีมมมมสิทธิ์คิดว่ามันไฟไหม้ก็ต้องออกมาก่อนรู้แต่ว่าต้องไปจากที่นี่ไม่ต้องมีอะไรสงสัยไม่ต้องไปหาเหตุผลแห้มันร้อนแล้วก็หยุดนะก็บังเอิญธรรมะเขาก็จัดสรรนะไปเคลียร์งานเสร็จแรกๆ ร้านอาหารก็ส่งเงินมาเหมือนเก่าแล้วก็ไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมามันก็มีปัญหานะเด็กๆ ก, ก็เอาเงินมาให้เนะมันมันมาถูกป้นอะไรยุ่ยนาบอกให้ต่อไปอย่างมาที่นี่เอาไปไปบ้างน้องชายไม่เอามาอย่ามายุ่งแล้วก็ไม่เอาอมันเป็นเองนะมันเกิดขึ้นเองนะแต่ว่าเราไม่ลังเลสงสัยนะเพราะว่าเคยมีเพื่อนฝรั่งที่เขานอกศาสนานะเพื่อนพ่อคูมีหลายศาสนาเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ก็บอกเปน็นนิทานปร ล, ลําประลาแต่พอถึงเวลานั้นพ๊อกูไม่ได้สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะหรือไม่แต่ดวงจิตดวงนั้นมีจริงคําสอนพระองค์ทําให้เราพ้นทุกได้จริงแค่นี้พอละเพราะคําว่าพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ตัดไว้เองว่าศาสนาพระองค์อยู่ได้ประมาณห้าพันปีตัวศาสนาเองก็เป็นแค่องค์กรหนึ่ง สิ่งสมมุติเหมือนกันผู้เจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนคําสอนพระองค์เท่านั้นเองมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ผู้เจ้าเหลือมาว่าให้เรามันมีคุณค่ามีประโยชน์เราก็รักษาจันร์ลงมันไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานเราแต่เราไม่รักษามันไว้โดยที่เราไปหลงมันพอไปหลงมันปุ๊บนี่ก็ของชั้นแท้ของเธอเทียม ตั้งทงละตั้งทงฉันค่ายนี้เธอค่ายนั้นแล้วมาจับถูกจับผิดแล้วเนี่ยนะอันนี้ไม่เข้าใจพุทธศาสนาพเพราะครูไม่ลังเลสงสัยไม่ลังเลสงสัยไม่ต้องไปคิดพิจารณารู้แต่ว่าเจอแล้วไอ้ที่มันไม่ถูกอะ ไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีแล้วจะไปจมอยู่กับความทุกข์อนั้นไม่มีวางเดียวนั้นเลยฉับพลันเดียวนั้นเลยนะบังเอิญก็แม่ของน้องขนะีก็ถูกจับมาเป็นหนูรองยาคนแรกเป็นลูกศิษย์คนแรกนะสามชั่วโมงนั้นที่เราเห็นกระบวนการทางานตอนนั้นเราไม่รู้อะไรคืออายตนาภายนอกอะไรคืออายตนาภายในอะไรคือวิญญาณหก ไม่รู้ไม่เคยเรียนมาแต่เห็นขั้นวนการทำงานของมันใช่ไหมทีนี้ก็สอนก็นั่งได้ยินเสียงที่หูนะเพราะเราได้ยินเสียงแอง์ <c oughs> มันดึงมารู้ที่ใจก่อนจะเกิดเวทนาในวิ่งหนีก่อนน ะ, ะได้ยินเสียงที่หูมันวิ่งหนีอีกหัวใจเต้นก็ดึงกลับมาแล้วก็วิ่งหนีอีกดึงกลับมาก็วิ่งหนีอีกขั้นวนการทำงานของมันน่ ช่วงหลังเนี่ยหลังจากถอยมาแล้วค่อยมาเรียนรู้ภาษาพูดว่าโอ้มันเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคือคือเราเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นก่อนแล้วพอเราค่อยมาพอกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยหลังจากมีผู้รู้ต่ตางๆเข้ามาแลกเปลี่ยนนะคูบาอาจารย์ที่มาช่วยกันสร้างศูนย์ที่นี่เอเมื่อ หลายปีก่อนนะก็ท่านก็เรียนปริยัตมาอะไรอะไรทีนี้ท่านก็เอาปริยัตว่า น, นี่มันตรงกับอย่างนี้ตรงกับอย่างนี้พเพราะครูก็บังเอิญได้มาเรียนรู้ภาษาพุทธศาสนาช่วงหลังนี่เขาเรียกว่ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คือเราเข้าไปสัมผัสต ร, ตรงนั้นก่อนนะสภาวะตรงนั้นก่อนอารมณ์ตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าชื่อสมมุติเรียกว่าอะไรเนี่ยเรามาเรียนรู้ทีหลังนะเราก็ต้องไปแปลม่ อ๋อสภาว่าอย่างนั้นอาการอย่างนั้นเขาสมมุติชื่อเรียกว่าอย่างนี้ภาษามันเป็นแค่สมมุติมนุษย์สมมุติขึ้นนะพระองค์ยิ่งใหญ่มากนะพระ อ, องค์จึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อตำลาอย่าพึ่งเชื่อครูบาอาจารย์อย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานเพราะภาษามันอย่าเพลินไปที่จะอธิบายสิ่งที่พระเจ้าตรั ส, ออส ร, รูสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสรูคือความจริงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนทรงเต่งออกมาเป็นแค่ภาษา จะเป็นภาษาบาลีจริงหรือเปล่าภาษาสันสกิตหรืออินเดียโบราณก็ช่างเนี่ยนะคนนอกศาสนาบางคนเขาบอกเขาไม่เชื่อเป็นนิทานประลัประลาแต่ที่นี้ก็ทำไปทามาจนแปลมาเป็นภาษาไทยทุกวันนี้นะแล้วก็ผู้จบศาสนาสูงสุดซึ่งเราเรียกว่าด็อกเตอร์หรือปริยนเก้าปริยนเก้าเ น, านี่ย เพียบเท่ากับปริญญาตรีแล้วก็เรียนเพิ่มเติมอะไรจนจบปริญญาเอกทางพุทธศาสนาแล้วคนนึงมาแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึงมาแปลว่าอนานัสตาหน้ากลัวมากหน้ากลัวมากนะหน้ากลัวอะไรพุทธศาสนิกชนเราถ้าเข้าใจคําสอนพระเจ้าเนี่ย สิ่งที่เราเดินไปเนี่ยแหละที่เราต้องการพ้นทุกเนี่ยก็คือต้องเป็นนิพพานต้องเข้าสู่ น, นิพพานแล้วคนหนึ่งบอกให้เลี้ยวซ้ายคนหนึ่งบอกให้เลี้ยวขวาและลูกหลานเราจะไปพึ่งใครมันจะท้อนให้เห็นอะไระท้อนให้เห็นว่ายุคนี้เนี่ยเราเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์เรียนรู้แบบไปท่องจำเรียนแบบตัวหนังสือนะและบังเอิญว่า ไม่รู้นะในแต่เป็นในในพระไปโดกเขียนจริงๆหรือบอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวรเรียงระดับอย่างนี้จริงหรือเปล่าพากครูก็ไม่รู้ไม่เคยไปเปิดดูเลยนะแต่เรารักษาไว้มันมีประโยชน์มันเหมือนแผนที่เหมือนลายแทงเก็บไว้อันนี้เล่มเก่านะที่ว่าเป็นร้อยเล่มเล่มใหม่ในเมืองไทยเราเนี่ยก็มาเปลี่ยน ปฏิรูปใหม่เพื่อให้มันน้อยลงเหลืออยู่45เล่มคือกี่เล่มเนะพราะครูก็ได้ยิงกล่าวนะ mm. ก็ไม่รู้เจตจำนงในการปฏิรูปใหม่นี่เพื่ออะไรจากร้อยเล่มมไปด้วย45เล่ม mm. เพื่อให้มันเรียนจบง่ายหรือว่าเพื่ออะไรพวกครูก็ไม่รู้แล้วก็ใครเป็นคนสังคานาก็ส่องเข้าไปก็ก็ไม่ได้ไปเจาะลึกอีกว่าใคร แต่ที่เห็นนั่งเห็นนั่งทะเลาะกันว่านิพานเป็นอัตตาเป็นอนัตต า, าเด็ก ๆ, ๆบางทีก็ไม่เข้าใจว่าอัตตาคืออะไรนะคืออัตตาเหมือนมีตัวตนอนัตตาบางคนก็แปลว่าไม่มีตัวตนเลยส่วนเราพ่อครูบกับมันมันมีนะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันมีอยู่แต่มันชั่วข่าวอ้าวแล้วทำไมาคนหนึ่งแปลอย่างหนึ่งคนหนึ่งแปลอย่างหนึ่งก็เรียนพระไตรปิฎกมาเล่มเดียวกัน ทีนี้พอมันเกิดเรื่องหลายปีก่อนที่ว่าสอบสนทะเลาะกันเรื่องนี้เนี่ยจิตพ่กครูก็มานั่งพิจารณาดูว่าเออทะเลาะกันทำไมแล้วนิพานมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาจริงๆอหจิตมันก็ตอบว่านิพานมันยังไม่ใช่นิพานเลยมันจะไปเป็นอัตตาอนัตตาได้อย่างไรมันไม่เกี่ยวทำไมนิพานยังไม่ใช่นิพานมันเรียกชื่อไม่ได้มันไม่มีอะไรเลย คำว่า น, นิพานคือชื่อสมมุติสภาวะที่จิตมันดับทุกข์แล้วนะั่นถ้าไม่บันทึกสมมุติชื่อขึ้นมามันก็บันทึกเป็นปริยัติไม่ได้ไงนิพามันยังไม่ใช่นิพามันมันไม่ใช่อะไรแต่มันเรียกชื่อไม่ได้มันไม่มีชื่อแต่บังเอิญไปสมมุติชื่อขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นเรื่อ ง, งแต่ตามที่สีมานะของตัวเองอ้าวแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะนะ ญาติธรรมหลายคนรุ่นเก่าๆเลยก็บอกเออแล้วพรอครูแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นอัตตาคนมุกอนัตตาไอ้ฝ่ายที่เชื่อว่าเป็นเป็นอัตตาเพราะว่าเ็าบอกว่ากฎพระใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเป็นอนัตตา ที่นี่เขาบอกว่านิพานเนี่ยมันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ต้องเรียนไหวาตายเกิอดอีกแล้วมันเป็นนิจจังมันจึงต้องเป็นอัตตาอันนี้แปลแบบตักกะนะเขาไปฟังแบบตักกะเหมือนมัน ม, มีเหตุผลนะ่ะาะนิพานมันเที่ยงแท้แน่นอนไงมันไม่ใช่อย่างนิจจังมันเป็นนิจจส่วนในฝ่ายที่บอกว่าเป็นอนัตตาบอกว่าเขาบอกว่าสัพเพธรรมานัตตาผูดชัดเจน แต่สายพี่บอกว่าเป็นอัตตาก็บอกว่ามันแปล ว, รรมมว่ายังไงสัพเพ昙มานัตตาเขาไม่ได้บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเสียหน่อยเขาบอกว่าสัพสัพประสิ่ง์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตวนที่แน่นอนทุกวันนี้ยังไม่มีคําตอบแต่ส่วนตัวพระครูเอาเป็นมัต ฐ, ฐานไม่ได้นะพ่อครูตอบว่านิพพานยังไม่ใช่นิพพานเลยมันจะเป็นอะไรเป็นคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันผิดผู้จเจ้าไม่ได้สอนให้เราทะเลาะ ก, กันแน่นอน แต่ความมีทิฏฐิมานะความไปหงตัวรู้ของเราเนี่ยเราถูกสอนว่าเราต้องถูกเราผิดไม่ได้เพราะมันเสียเปรียบนะจบด็อกเตอร์ด้วยกันมารับปริญญาบัตรออกมาพร้อมๆกันนะออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะอ บ, บ่อแหวงกันไปอาศัยคนจบปริญญาตรีมาตัดสินถูกผิดคนสองคนนี้เรียกว่าคนมีความรู้เรื่องวิชาที่เรียนแต่ไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะคุยกันแทนมารู้เรื่องที่ไม่มีปัญญาเพาะอะไรเพราะขาดสติที่ไม่มีสติเพราะว่าไม่มีสมาธิที่ไม่มีสมาธิเพราะว่าไม่มีศีลที่ไม่มีศีลเพราะถูกครอบงาโดยโรคปวดหลงปิดสํานึกลึกๆมันรู้ว่าตัวเองผิดแต่ความรู้มันบอกว่าเธอรับผิดไม่ได้นะเธอจะเสียเปรียบคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะยอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคน แต่ทุกวันนี้มีแต่คนควรมีความรู้คนมีปัญญาไม่ค่อยมีมันถึงขัดแย้งกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั้งโลกนะฮัลโหลมือจับกันชิแขนนะแต่ข้างในเนี่ยจ้องที่จะเอาเปรียบกันอยู่แล้วมันมันมันถูกกับนางมันจับมือกันเป็นแค่กิริยาแค่มารยาแต่ข้างในมันจะเอามันจะเล่นกันอยู่ นี่คือเราถูกใส่ความรู้แบบทุนนิยมวัตถุนิยมเราคิดซุกก็ถูกความรู้อย่างนี้บอกไว้มันคิดนอกกรอบไม่ไดนะ้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องนิพานยังไม่ใช่นิพานต้องอธิบายเพิ่มมิดนึงเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอะไรเพราะกูไม่ได้กวดอุตตลีอะไรพูดจากความรู้สึกจริงที่มันสัมผัสมันไม่ติดบ่วงอะไรเลยก็พูดให้ฟัง มันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเรียกชื่อไม่ได้แล้วก็พอจิตมาพี่นามันก็ย้อนกลับไปสู่สมัยพุทธกาลสมัยก่อนพุทธกาลยุคเจ้าชายจิตถะยุคนั้นพระองค์ไม่มีปริญญาให้อ่านพระองค์เริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษา เมื่อศาสนาลู่ธรรเข้าสู่ปฏิเวศก็เอาส่งที่พระองค์รู้พระองค์เห็นเนี่ยมาบอกกล่าวจะเป็นผ้านอนนท์หรือเปล่ามานั่งจดไว้เนี่ยก็บอกแล้วคนนอกศาสนาบางคนเขาไม่เชื่อแต่สาหรับพวอครูแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าผ้านอนนท์จดไว้จริงๆหรือเปล่านะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต พระองค์ไม่ได้บอกว่าผูใ้ใดจบด็อกเตอร์ผู้นั้นจะเข้าใจเราไม่ได้พูดแต่ยุคนี้เนื่องจากความรู้ทางปริยัตน่ะเป็นมากวัดมันวัดได้ด้วยคะแนนแล้วก็มาแต่งตั้งได้ให้มีลาบยศเสริญให้มีตำแหน่งเราก็เรียนรู้กันใหญ่เลย เดินไปเรียมาก็อพอมันไม่ใช่เรื่องเลวไม่ดีนะไม่ใช่เรื่องไม่เลวร้วายเหมือนเราดูแผนที่เราดูลายแทงดูแล้วเราก็เดินทางเดินทางเดินทางบังเอิญว่าดูไปดูมาเนี่ไม่มีเวลาเดินทางมีแต่เวลาไปจําเล่าความจํามาพูดมาแปงถูกแปงผิด ก, กันก็เลยถอดหล่อทะเลาะบ่อแว่งกันเมื่อขัดแย้งกันอา้าวฉันไปก็ได้วยกันไม่ได้ล่ะตั้งแต่หลังพุทธกาลมาถ้าเราศึกษาพุทธประวัติเราก็เห็นนะอา้าวแยกกลุ่มนะอา้าวฉันชูธง เป็นลัทธิใหม่นิกายใหม่ขึ้นมาเพราะทุกคนถือที่จีมาหน้าตัวเองเป็นที่ตั้งแยกไปจนนี้ไม่รู้แต่แขดงไปไม่รู้มีธงจี่สีแล้วก็ไม่รู้นะหลากหลายสีมากถ้าต่างคนต่างทำาำก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในสีที่เราชูธงแล้วก็มานั่งขับแย้งกันเองเนี่ยใช้คําว่า มันน่าเสียดายก็สิ่ง น, นี้เองพ่อครูถอยชีวิตมาอยู่ที่นี่ยี่สิบเ็ดปีจิตมันไม่ต้องระวังมีผู้รู้หลายท่านก็มาแนะนําไม่ได้สังคมตรงนี้ต้องรู้พ่อครูทําอะไรอยู่วิธีพ่อครูนี่เรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้มันต้องเรียกชื่อได้ไงพ่อครูบอกมันต้องไปเรียกมันไม่มีชื่อ แล้ววิธีที่บอกว่าพวกครูของพ่อครูถามบอกว่าบอกพวกครูหน่อยวิธีพวกครูมันเป็นแบบไหนมันไม่มีวิธีพวกครูไม่ได้สอนอะไรเลยไม่ได้สอนเลยนะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเราดูนะอยู่ท่านที่เดินทางมาใหม่ชั่วโมงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวเราจะเห็นคำว่านานาคิตต์มันไม่เหมือนกันสักดวงจิตหนึ่ง ที่มันนั่งอยู่นี่ร้อยคนพันคนหมื0นคนแสนคนเนี่ยแล้วก็สอนให้ทำเหมือนกันหมดเลยนั่นแหละมันเป็นวิธีที่อาศัยประสบการณ์ครูบาอาจารย์มาแล้วก็บอกทุกคนต้องทำตามมันกลายเป็นลัทธิเป็นนิจัยเป็นความเชื่อเป็นอุดมการมันไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือธรรมะ ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วมันจะมีธรรมะได้อย่างไรที่มันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมันมีของเธอของฉันมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมีชงอย่างชัดเจนมันจึงไม่ใช่ธรรมะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะในป่านั้นเรียกว่าอะไรต้นที่ยืนๆเรียกว่าต้นไม้ใช่ไม่ใช่เพราะหลังจะไม่เรียกวันที่ เห็มันสมมติชื่อเรียกไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นต้นไม้ได้ล้านปีไหมก็ไม่ได้มันเป็นชั่วคราวมันเป็นอนัตตามันไม่มีชื่อถ้าตั้งชื่อเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งคําบริกรรมอะไรต่างๆพราครูพยายามหลีกเลี่ยงจิตมันไม่ทําเลยไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดวันนะยี่สิบเอ็ดปีจะถึงเวลานี้ก็ไม่มีชื่อเมื่อมันไม่มีชื่อแล้วแล้วพครูก็ไม่ได้สอนว่าต้องซ้ายหันขวาหัน ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจึงไม่มีธงไม่มียี่ห้อถ้าเราไปตั้งชื่อปุ๊บเนี่ยทางโลกเนี่ยเขาต้องมีชื่อเพื่อเป็นอุบายวิธีจำง่ายแล้วก็เรียกง่ายนะแต่พวกครูเรียกว่ามันมักง่ายง่ายกับมักง่ายไม่เหมือนกันนะ ง่ายที่สุดคือไม่ต้องมีชื่อมักง่ายถึงไปตั้งชื่อไม่ต้องมีชื่อแล้วก็ทุกคนเนี่มักของแต่ละท่านเนี่ยต้องใช้จริตใช้ประสบการณ์ของท่านที่ฝึกมาหลายภพหลายชาติเนี่ยดำเนินต่อ แต่้าวันนี้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์สมม่าพ่อคูจบวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมพวกครูก็ประสบการณ์ที่จบมาในชาตินี้มาสอนรุ่นต่อๆไปต้องเรียนแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเลยเนะี่ยมันกลายเป็นศาสตร์วิชาเป็นองค์วิชาขึ้นมามันไม่ใช่ธรรมะมันไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของมันบางคนก็แย้งนะพวกคูเคยนัน่นเอาแล้วพ่อคูที่พูดพูดมาในเป็นภาษาหรือเปล่าบอกใช่ เป็นภาษามนุษย์ก็อาศัยภาษามนุษย์เนี่ยมาสื่อแค่ให้เราเหมือนพระเจ้าช้พระพุทธองค์เนี่ยก็ใช้หลักภาษามนุษย์เนี่ยแต่เราไม่อยากจะไปค้นคนว้าวิจัยว่าพระองค์ใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกิตหรืออินเดียโบราณเป่องออกมานะนะแต่พระองค์ก็ใช้ภาษามนุษย์นี่แหละมาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต แต่สิ่งสิ่งนั้นนะพระองค์ไม่ได้แต่พระองค์บอกท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากธากฏเราจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ ร, รู้สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้ภาษาแล้วก็มาตีความภาษาแล้วก็มาขัดแยง้งกันกับภาษา ไม่ใช่ว่าภาษาไม่มีประโยชน์นะก็เพราะครู ย, ยังใช้ภาษานี่แหละมาคุยกับพวกเราแต่ภาษามันสื่อได้ระดับหนึ่งแต่อย่าไปพูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเห็นไหมสิ่งนั้นถ้ามันไม่มีตอนนี้ทางโลกเราอยากมากถ้าไม่ขาวก็ดำถ้าไม่ถูกก็ผิดถ้าไม่ใช่รูปโยนให้นามหมดจิตวิ ญ, ญญาณเป็นนาง ม, มาดำ พ่กคูไม่คิดอย่างนั้นถ้าเป็นนามมาทำมันต้องไม่มีใครเป็นคนไปรับกรรมใครเป็นคนเวียนไหวาตายเกิดสิ่งนั้นมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่รูปธรรมหยาบๆอย่างที่เราเข้าใจแต่มันก็ไม่ใช่นามมาทำอย่างที่เรารู้ต้องเดินไปกลางๆเดินไปกลางๆเราพูดไม่ได้ด้วยภาษา แต่เราสามารถเข้าไปสัมผัสมันได้นะบังเอิญไอแนวที่แนวทางซึ่งมันไม่มีแนวทางเนี่ยมันเป็นทางตรงๆที่เราเข้าไปตรงนั้นนะที่เมื่อช้าพวกครูก็เกิดหน่อยหนึ่งว่าพวกเรานี้บุญเยอะมากถ้าบุญไม่เยอะเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เผยไม่ได้เจอมาไม่ได้มาเจอพุทธศาสนาของพุทธองค์ไม่ได้มาเจอแนวทางซึ่งมันไม่มีแนวทางที่มันเดินเข้าไปตรงๆไม่ก็ไปอ้อม แต่ตอนนี้เราทำไมไป อ, อ้อมเพราะเราไปตีความตามภาษาเราไปนึกคิดแบบวิทยาศาสตร์มาเรียนรู้แบบตักกะแบบแยกแยกส่วนพิจารณานะแยกวิชาเรียนรู้เรื่องเดียวยิ่งแหลมยิ่งทับแคบยิ่งคมยิ่งเปาะบางแต่ต้องไม่ได้เลยยิ่งรู้มากอัปตายิ่งเยอะพูดอะไรหน่อยก็โมโหนะนั่นคือไม่ใช่หลักพุทธศาสนา ตลอพวกครูส่วนตัวนะเอาเป็นมาตรฐานทางวิชาการไม่ได้ปฏิบัติปฏิเวศปริยัริยัตเกิดขึ้นทีหลังเพื่อเอามาเป็นภาษามาเป็นลายแทงมาเป็นแผนที่มาสื่อกันเท่าที่จำเป็นไม่งั้นมันก็ยังทะเลาะกันอยู่เหมือนเก่า ทุกวันนี้ทางโลกก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันเพราะอะไรเพราะตีความภาษาตีความกฎหมายนะเราเอากฎหมายมาห้ามหันกันนะก็นั่นแหละตัวหนังสือทางนั้นเลยตัวหนังสือมันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นอธิบายสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้นะแต่เราก็ไม่ ละทิ้งนะเราไม่ใช่เราไปพูดเพื่อมีเจตนาอะไรจะไปลบหลู่ป ร, ริยัติอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ทุกคนถ้าไปหลงประโยชน์ตรงนั้นโดยขาดสติมันจะมีโทษมหาห์ในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีของคู่ในตัวมันมันจะมีขั้วบวกขั้วลบในตัวมันเซลเล็กเล็กนิดหนึ่งมันก็มีของคู่ตลอดนะ ไม่ใช่ว่ามันจะดีไปทั้งหมดนะครับที่บอกว่าผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากเพราะอะไรสิ่งที่พระ อ, องค์ตัดไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีทุกวันนี้ยังไม่ล้าสมัยพระ อ, องค์เตือนเราหมดแล้วนะหลักกาลามรารสูตรอะไรเนี่ยอย่าพึ่งเชื่อแต่คำว่าอย่าพึ่งเชื่อนี่เด็กๆต้องฟังนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธเลยอย่าพึ่งปฏิเสธฟังหูไว้หูทําตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เอาโชวเราเนี่ยมาทดลองด้วยตัวเราเองอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเราจะสรุปจากความรู้ที่เราถูกใส่โปรแกรมมามันอาจจะเป็นความรู้ผิดก็ได้นะเอาวิชาเนี่ยสำหรับพวกครูส่วนตัวนะไปแป ล, แปลว่าความไม่รู้และแปลว่าคือความโง่เนี่ยพวกคูไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ อันนี้ส่วนตัวนะเอาวิชาเนี่ยถ้าจะแปลให้มันใกล้เคียงนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ชัดแต่ภาษามันไม่ชัดเท่าไหร่หรอกน่าจะแปลว่าคือความรู้ผิดไม่ได้แปลว่าความไม่รู้ทำไมคือความรู้ผิดนะยกตัวอย่างง่ายๆนะทาซานเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทุเรียนคืออะไรเขาก็ไม่คิดปรุงแต่ง สังขารก็ไม่เกิดคิดปรุงแต่งอยากกินทุเรียนที่เรารู้ว่าทุเรียนมันอร่อยเรารู้ผิดเอาอร่อยมันรู้ผิดได้อย่างไรอร่อยนี่มันเปื่อนมากทําให้จิตเราไปยึดจิตแล้วก็คิดปรุงแต่งอยากกินทุเรียนวิญญาณก็ไปหาทุเรียนมากินกําลังอร่อยอยู่กําลังมีความสุขอยู่เขามาแย่งไปเราก็เลยทุกข์อาวิชาจึงไม่ควรแปลว่าพวกครูก็เคย แลกเปลี่ยนนะกับผู้รู้ที่ท่านเคยเรียนรู้มาบอกเอา้ามันมันแปลว่าอย่างไงแนะ่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่คิดที่มันคิดเพรามันดูแต่บังเอิญความรู้นะั้นมันผิดมันทําให้เราทุกข์ความรู้อะไรก็ช่างที่มันทําให้เราเกิดทุกข์นั่นคือความรู้ผิดทีนี้บางท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่า ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ปฏิจจสมุทบาทไม่รู้กฎแห่งกรรมเอเราใช้ภาษาผิดหรือเปล่าถ้าไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ปฏิจสมุดบาทไม่รู้กฎแห่งกรรมเนี่ยมันน่าจะใช้คาว่าไม่รู้วิชาได้ไหมไม่มีวิชาไม่รู้วิชาแต่มาแปลว่าอวิชาแปลว่า ความไม่รู้ไม่รู้ยศาสัร์สีอันนี้สําหรับพ่อครูแล้วว่ามันมินเมย์ต่อการเข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจภาษาผิดเนี่ยเริ่มต้นมันเข้าใจผิดมันเห็นผิดเป็นชอบแล้วมันก็จะดําหนีไม่ชอบการกระทําทุกอย่างไม่ชอบหมดเห็นไหมพอเรารู้ว่าวิชาคือความไม่รู้คือความโง่เรากลัวเป็นคนโง่เราเรียนรู้ใหญ่เลยเรียนจนจบดอกเตอร์มันมาทะเลาะ ก, กันทําไมมันขัดแย้งกันทําไม ถ้าเรารู้ว่ า, าวิชาคือความรู้ผิดเราจะระวังก่อนที่จะใส่ความรู้ไปให้เด็กๆเด็กต้องระวังว่เาเป็นความรู้ผิดหรือเปล่ามันเรียนรู้แล้วมันจะเห็นแก่ตัวไหมถ้ า, าวิชาเป็ว่าความไม่รู้เรื่องศัตรีมันรู้ปฏิสุบฏบาทแล้วคนที่จบด็อกเตอร์ทางศาสนาพุทธเนี่ยเขารู้ไหมอุย้ยเขาเขียนเขาตอบโจทย์ได้หมด เ, เรี่องศัตรีมีกี่ข้อทุกสมูทัยนี้โลดมากปฏิสมุตมฏตบาทมีกี่ขั้นตอนพวก เ, เขารู้หมดแล้วไงทําไมมันไม่พ้นทุกข์ เรื่องภาษาเนี่ยมันมีศักยภาพมันมีข้อจํากัดของมันมันไม่ละเอียดป่อนเกินพอที่จะไปอธิบายสิ่งนั้นทั้งหมดแต่มันก็มีประโยชน์ล้วก็รักษามันไว้แต่ว่าอย่าแปลปฏิบัติก่อนให้เข้าถึงก่อนแล้วค่อยมาดูแล้วก็ไม่ต้องแปลไม่ต้องมานั่งทะเลาะ ก, กันเหมือนเราเคยสอนเด็กๆที่นี่ เรามีกสนอหลายปีก่อ น, นเพราะครูจะเอาความจริงมาสอนน ะ, นะเด็กๆกรุงเทพนะมันมีเขาดินน ะ, ะมันก็เรียกเขาดิ น, เ, นเป็นชื่อสวนสัตว์ดูสิมันอยู่ถนนนั้นถนนนี้อยู่หน้ารัฐสภาอย่างนี้โจดๆๆในเขาดินนั้นมีสัตว์หนึ่งพันชนิด แยกเป็นเสือห้าตัวลิงแปดตัวอะไรก็ว่ากันไปจดจดจด จ, ด จ, ด จ, ดจดจดแล้วก็ไปท่องจำจำหมดเลยใครจาเก่งที่สุดพอเข้าไปสอบพุทธกาถูกหมดเลยได้เกียรตินิยมันดับหนึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นลิงเลยแต่พอเร า, าพาเด็กไปเที่ยวเขาดินกรุงเทพนะเอาจดไว้อยู่พรครูบอกมีลิงแปดตัวทําไมมันกลายเป็นเก้าตัวมันออกลูกมาอีกตัวหนึ่งมันเป็นอนิจจังลูกมันไม่เที่ยงเพราะครูเสือมีห้าตัวทำไมเหลือสี่ตัวมันตายไปตัวหนึ่งลูกแล้วพอไปถึงเขาดินแล้วเนี่ย เด็กมันจะสัมผัสอากาศเขาดินให้ได้นะโอ้มันร้อนมันเย็นแค่ไหนเนี่ยนะปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดหรือไปท่องจำมาพูดแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่เที่ยงแต่ทุกวันนี้ขบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจมันเป็นชุดวิชาทุกคน จำมันเดียวเหมือนกันหมดเลยจาถูกบ้างผิดบ้างแต่ถูกบ้างผิดบ้างไม่รู้ละ่ะจําไปจํามาจากร้อยเปอร์เซ็นไปจำเหลืออยู่สิเอร์ซ็นเลอะเลือนไปหมดเลยนะพราะครูถึงแนะนําในฐานะเราเป็นผู้เดินทางเรากําลังผู้แสวงหาความพ้นทุกข์นะพราะครูแนะนําให้ปฏิบัติเยอะๆ อ, อ่านน้อยๆพูดน้อยๆ ปฏิบัติเยอยๆนะเมื่อสงสัยอะไรเข้าถึงตรงไหนตอนนั้นเราก็ค่อยมาเปิดดูนิดหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปไม่ใช่มาจํามาจํามาจํามาจําสูตรแล้วพอเราคิดปุ๊บเราจะคิดตามบ่วงความจําตัวนั้นเราคิดนอกขอบตัวนั้นไม่ได้แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นไปทะเลาะบ่อแว้นกันกับความจําของตัวเองมันไม่ใช่ความจริงนะก็บังเอิญ วิธีปฏิบัตินั้นเมื่อเช้าก็ได้เกินหน่อยอย่างนะั้บางเอิญมีญาติทรรมเดินทางมาใหม่ด้วยก็ก็ขอฟื้นฟูดิดหนึ่งที่บอกว่าไปไหนไปปฏิบัติธรรมนะก็ตามไปเอาไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเพราะกูก็ไปแอบดูนะนะไปฝึกสมาธิไปเจริญสติกูดูเอง ทุกวันนี้ยี่สิบปีไม่ไปไหนไงปีที่แล้วเลิกออกอไปข้างนอกอะ่ะไอ้เ้าปฏิบัติธรรมอันนี้เรื่องอีกนะเรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่บรรทัศนอย่างนี้นะมันเป็นวิชาสติวิชาสมาธิเท่านั้นเองมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือกระบวนการทําให้เราเข้าถึงธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติไม่ใช่มาเจริญสติไม่ใช่มาเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการจเจริญมัต เราเกิดมาทำไมชีวิตคือการเดินทางเกิดมาเดินทางต่อเราเดินทางมาหลายชาติแล้วไม่ได้มไม่ได้มาฝึกวิชาสติไม่ได้มาฝึกวิชาสมาธิมันเป็นอุบายวิธีของครูบาอาจารย์ให้เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าแต่ทีนี้พอเจาะลึกเข้าไปดูมันไม่ใช่ก็ฝึกอยู่ตรงนั้นแหละผึกอยู่นั้นเหมือนเราเป็นนักกีฬาฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกฝึกไม่เคยลงสนามเลยเนี่ยมันไม่เกิดทักษะ นักมวยก็ซ้อมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆยๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ่ๆเๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆได้ขนาดๆีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เห็นธรรมคือเห็นทางมรรคเห็นทางเดินเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคตอนนี้ธรรมะหรือสัจธรรมความจริงมีอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ในตัวเราคือจิต เมื่อชาาก็พูดถึงเรื่องว่าอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนะเราเลยเข้าใจว่าปัจจุบันขณะคนชื่อพ่อครูบัญชานั่งอยู่ตรงนี้ฉันรู้ตัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะรู้ว่าคนชื่อบัญชานั่งอยู่ตรงนี้รู้อารมณ์ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรารู้สมมติบรญชานี้ก็สมมติร่างกายนี้ก็สมมติคำว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันการกอไก่สลารอลิง บุเพนิวาสานุสติยานเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าศัพสรู้ยานรู้ว่าด้วยการะระลึกชาติพระ อ, องค์รู้ได้ยังไงเรื่องเวียนว่ายตายเกิดพระ อ, องค์รู้ได้ยังไงเรื่องบาปบุญคุณโทษพระ อ, องค์รู้ได้ยังไงเรื่องกดแห่งกรรมพระ อ, องค์ไปเห็นจากอดีตของพระ อ, องค์เองอดีตเป็นบทเรียนทําให้เราเห็นอนาคตนี้คือวิชาแรกวิชาที่สองที่ตามมาประสบการณ์ตอนนั้นก็ไปเห็นว่าทําไมเกิดมาเป็น สุภาพสติทำไมเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษทําไมเกิดมาเป็นลิงเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวประสบการณ์ที่พออระองค์ไปเห็นตรงนั้นก็ทําให้พระ อ, องค์เห็นว่าจุดุปาตยานยานรู้ว่าด้วยการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมทํำไมเกิดมาไอคิวสูงไอคิวต่กำกรรมเป็นตัวกําหนดทีนี้เราก็ไปหลมสร้างกรรมมาหลายร้อยหลายพันชาติแล้วมันจะมาใช้ในชาติเดียวไม่มีทางหมดเพราะเราเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่ง ชีวิตหนึงต้องแรกด้วยชีวิตหนึ่งนะแล้วมันจะไปใช้บทได้อย่างไรวิชาที่สามนี่พ่อครูถือว่าเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นแก่นวุธศาสนาพ่อองค์ไปเห็นต้นเหตุของการสร้างกรรมคือเรามีอาสวะกิเลสพ่อองค์จึงไปค้นพบ ว, วิชาที่ยิ่งใหญ่มากอาสวะขยะยาณ ยานรู้ว่าด้วยการกำจัดอาสวะกิเลสมันคือต้นเหตุของการสร้างกรรมก็คือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมรรคมีองค์แปพระองค์บอกว่ามรรคผลนิพพานพระองค์ไม่ได้พูดบอกว่าสติผลนิพพานพระองค์ไม่ได้บอกว่าสมาธิผลนิพพาน แต่เราไม่ยอมเจริญมากกันเราจับติตมาเจริญสติจับติตมาฝึกซ้อมซ้อมซ้อมให้มันแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงไม่เคยใช้ความแข็งแรงนั้นเดินทางเลยเราหลงป่าสิ่งที่เราต้องทําคือหาทางเดินออกจากป่าไม่ใช่จะฝึกวิชาสติฝึกวิชาสมาธิเราหลงป่าในวัดปะสงสารมาหลายภพหลายชาติแล้ว แต่สติสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่สาคัญมากในการเดินทางเราฝึกสติมาเนี่ยหลายชาติละเราฝึกฌานาธิมาหลายชาติแล้วเรามีปัญญามหาศาลเลยเราต้องใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการเดินทางคาว่าพ่อชงเจสติสัมพโอชง นะบางทีก็บอกว่าเธอต้องยึดหลักโคดชงเจ็ดนะเธอต้องยุ่งว่มันจะเอามาจากไหนอ่ะมันคือผลของมัดมัดผลผนิพพานขบวนการเจริญมัดคือกระบวนการขัดเก่าเมื่อขัดเก่าเรื่อยๆมันก็เกิดผลวิสุทธิเจ็ดต่างๆมันก็แสดงตัวโคดชงเจ็ดแสดงตัวแล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆโพดชงเนี่ยที่มันยังเด็กๆเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้ามันไม่มีสติมันดูดนมไม่เป็นนะ มันถูกฝึกสติฝึกสมาธิมาตั้งแต่เด็กแล้วฝึกมาแล้วธรรมชาติก็ฝึกมาแล้วคําว่ามรรคเนี่ยต้องใช้สติสมาธิใช้ปัญญาใช้ศักยภาพที่เรามีทุกอย่างเนี่ยเดินทางนะก็พราะครูจะอ้างอีกน้อยมากแต่ถึงเวลาแล้วที่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วก็ขออ้างยิงคําพูดของครูบาอาจารย์ในยุคเานี้แหละ ที่พอสัมผัสได้นะไม่ต้องไปค้นคนว้าวิจัยยังมีตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เร็วๆนี้นะยี่สิบปี พ, พ่อครูไม่อ่านหนังสือเรื่องธรรมะต่งตางๆเนี่ยปีที่แล้วเราบอกถึงเวลาแล้วก็มาเปิดอ่า น, นแล้วก็ไม่เห็นหมดว่าเอออ๋ออ๋ออ๋ออใช่ๆช่ใช่ใช่เลยนะโดยเฉพาะหลวงปู่ดุลเราเนี่ย เพรว่าพูดนะลูกศิษย์ลูกหาท่านบางทีก็บอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นหลวงปู่เลยก็มาอ้างคําพูดของท่านเาพูดอย่างนี้แปลว่ามีลิขิตเหรออย่างนี้พวกเราเนี่ไปก๊อปปี้พระพุทธเจ้าหมดเลยนะไปเรียนแบบท่านเนี่ยนะใช้ไม่ได้อะไรที่ดีๆครูบาอาจารย์พูดออกมาแล้วก็เผยแพร่ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกล่าวอ้างเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้ศรัทธาเพื่อให้มองเห็นไม่ใช่กล่าอ้างเพื่อมายกตนข่งท่านนั่นมันไม่ใช่ ที่ท่านบอกว่าจิตส่งออกเนี่ยเป็นสมุทัยผลของจิตส่งออกเนี่ยคือทุกจิตเห็นจิตนี่คือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธเพราะครูอ่านว่าอุ๊ยชัดเจนแล้วโทรทุกวันนี้เราไปปฏิบัติธรรมนี้จิตเห็นจิตไหมไม่เอาจิตไปดูกายเอาจิตไปดูเวทนาแล้วตอนนี้เอาจิตมานั่งดูจิต อยากเห็นจิตไงเลยไปดูจิตบ้านหลังนี้เขาชื่อว่าจิตแล้วก็ไปนั่งดูจิตเห็นอารมณ์จิตสํานึกเหยียบหยาบของมันอย่างนี้นะก็นั่งดูตรงนั้นมันไม่ได้ทําในธรรมนะอันนี้เป็นแค่อารมณ์เวทนาเฉยๆนะมันต้องโดดเข้าไปจิตในจิตเขาไปเสพธรรมในธรรมธรรมอารมณ์ที่อยู่จิตใส้สานึกเราเนี่ยถ้าเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาตั้งแต่ในอดีตที่มันสะสมมาเรียกว่าธรรมอารมณ์ อันนี้เป็นนั่งดูจิตไปเจริญสติอีกโดยอารมณ์ของจิตนี่มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติมันยังไม่ใช่มักต้องเข้าไปในจิตในสิเข้าไปเศษธรรมในธรรมไปเรียนรู้กับกองปัญญาเราระสม ะ, ะสมผ ส, ส, ส, สมมาหลายพบหลายชาตินั่นคือตัวประสบการณ์จริงของเรา แล้วก็ก่อนจะจบนิดนึงเพราะใช้เวลามากพอสมควรนะก็เพื่อจะให้มันชัดขึ้นเมื่อเช้าก็พูดคานี้ก็จะพูดอีกคํานึง่งว่าจากนี้ไปก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เพราะครูอ้างนะไปเปิดเล่มไหนก็เจอครูบาอาจารย์ลูกไหนก็พูดนะคัปปานาปนสติสูตรสูตรนี้ดีมากสั้นๆแต่ชัดเจน พระองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทำพุทธชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์พุทธชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําให้ วิชาช่อช้างสองตัวและวิมุตติสมบูรณ์อันนี้ท่านใช้คำว่าสมบูรณ์เพราะมันมีหนึ่งเดียวแล้วทุกวันนี้ที่เราไปปฏิบัติทาเราไปเจริญสติเจริญสติเนี่ยไปอยู่ที่ฐานกายฐานเวทนาไปอยู่ที่อะไรกระช่างเนี่ยถามว่าสติปัะฐานทั้งสี่มันบริบูรณ์หรือยังมันไม่บริบูรณ์มันไม่ใช่มรรคมรรคกิตเนี่ย ทเหนผิตเมื่อเข้าไปสู่ทางในธรรมแล้วก็ดึงมาทางกายภาพด้วยวนเราล้วก็เริ่มต้นจากฐานกายได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องของฐานกายนะมารู้อารมณ์ที่ใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจเราใช้ฐานเวทนากับฐานกายเนี่ยมันจะแย่งเราจิตโลกจิตเราเป็นตัวกลางนะในหูนี่เป็นเพื่อนเราในใจเป็นเพื่อนเราสองคนมันทะเลาะกัน แล้วก็วิ่งมาเยี่ยมในหูแต่ในหูบอกอยู่กับฉันเพ่งเพราะเพราะเราไม่เข้าข้างในหูระวางตัวเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาในใจมันดึงกลับมาคืนมันบอกเธออยู่กับฉันตลอดชีวิตติตใจเห็นไหมภาษาไทยยังบอกอะไรติตกับใจมันอยู่ด้วยกันเราไม่เข้าข้างในใจเราถูกมันหลอกมาตลอดชีวิตแล้วก็วิ่งมาเยี่ยมในหูมันก็ดึงกันไปดึงกันมานะบัมประชิดไม่เสพ่วนชุดตงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างใน ระหว่างถูกกับผิดทีนี้มันก็ดึงกันไปดึงกันมาระหว่างข้างนอกอิทธนาภายนอกมันก็ดึงไอิเวทนาภายในมันก็ดึงดึงไปดึงมาเกิดแรงเบี่ยงขึ้นแรงเหบี่ยงทําลายสนามแม่เหล็กฮลิคอปเตอร์เรวลาสตาร์ทเครื่องใหม่ๆถ้าเราหมุนเบาๆมันห่อไม่ได้ถ้าเราเร่งแรงขึ้นเนี่ยถ้าแรงเบี่ยงมันมากกว่าแรงดึงดูดมันจะห่อได้ฉันใดก็ฉันนั้นเรามาเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมาจักนี่แหละคือธรรมาจักสุท เราเห็นทมด้วยธรรมาจากักรสุคือจักขุภายในตรงนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์อะไรเฉยๆนะขั้นตอนนี้เมื่อมันเกิดแรงเลี่ยงแล้วเรียกว่าอาณาปานาสติครบอ ง, งลมหายใจเข้าออกพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือเราจะตั้งชื่ออะไรก็ช่างมันเป็นขั้นสัมปธะสัมมถกรรมฐานมันเป็นหนึ่งในอนุสติสิในสัมมัตกรรมฐาน นะเรากำหนดลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติของเราแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นสามสิบปีจนนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นเราก็มีสติแต่เราเข้าไปสู่จิตในสติไม่ได้เราต้องพัฒนาอานาอากาศนั้นกลายเป็นปลานะขึ้นมาเป็นปลานนะ อย่างคนจีนสายมหายานอะไรก็มีวิธีฝึกลมปานหลายวิธีฝึกแบบไหนก็ได้ให้มันเกิดอาณาปณะสติขึ้นเหมือนรถยนต์จอดไวเ้เฉยๆเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เราต้องสตาร์ทเครื่องให้มันติดพลังงานทุกอย่างมันต้องหมุนมันต้องเกิดแรงเบี่ยงขึ้นเมื่อแรงเบี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วอาณาปณะสติตรงนี้เนะี่ยคือเครื่องมือในการเดินทางของจิต ว่า ม, มันเกิดแรงเบี่ยงแล้วเนี่ยถ้าแรงเบี่ยงมันไปไม่พอมันก็สูบละสูบแรงดึงของหัวใจสู้แรงดึงของหัวใจไม่ได้สู้แรงดึงของความคิดไม่ได้สู้แรงดึงของผัสสะไม่ได้เราต้องเร่งแรงเบี่ยงตัวนี้เร่งสติหมุนปองล้อของธรรมจักรให้มันเร็วขึ้นเมื่อมันเร็วขึ้นแล้วเนี่ยมันจะดิ่งเข้าไปในจิ์ในสิทธตเป็นวิธีที่เข้าไปในสิทธิตตรงๆเร็วๆเวมื่อเข้าไปแล้วทีนี้ก็ตัวไข่ตัวมัน อย่าไปกําหนดนะสมองเรามันโง่มากอย่าเอาสมองไปสอนจิตความรู้ในชาติเดียวของเราเนี่มันน้อยเหลือเกินคืนชีวิตเราให้กับจิตจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วตอนนั้นนะ่ะจิตในจิตจิตปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้กับจิตใต้สำนึกธรรมาลมต่างๆที่บันทึกไว้หลายพบหลายชาติประสบการณ์ลอานั้นมันจะไหลออกมา จะเป็นลูกของกระแสกรรมดีกรรมชั่วต่างๆมันจะไหลออกมาจิตปัจจุบันก็เรียนรู้กับเขาจัดแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปพิจารณาเอาเป็นว่าแนวนี้ซึ่งมันไม่มีแนวนี่ไม่มีผู้เพ่งไม่มีสิ่งที่ถูกเพ่งเราไม่ได้เจริญสติเอากขตาลมเนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เป็นสองมีสิ่งที่ถูกเพ่งกับผู้เพ่งต้องเป็นหนึ่งเดียวโดนเข้าไปเลยไปลิ้มรสอารมณ์นั้น สักแต่ว่าลูกเหบี่ยงทิ้งหมดไม่ใช่ดีเก็แบบไว้ชั่วเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งหมดมีอารมณ์คล้ายๆเรายิ ง, งเป้าบินเห็นปุ๊บยิงเลยเห็นปุ๊บยิงเลยอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นต้องปล่อยวางพาเคยชินที่เราเคยไปฝึกวิธีจเจริญสติมาไม่งั้นเราจะเข้าไปไม่ได้พอเริ่มได้ปุ๊บไปติดเพ่งปุ๊บหยุดทันทีเหมือนลูกหางเนี่ยเราไไหมุนใหม่ๆเห็นไหมเราต้องใช้สองด้านเนี่ย พลังสองด้านหมุนมันจะเกิดแรงเหบี่ยงแรงหมุนมันหมุนแล้วมันจะหาจุดศูนย์กลางของมันเองแรงเบี่ยงเนี่ยมันจะทำลายสนามแม่เหล็กแดงดึงดูดต่างๆมันจะมันเบี่ยงเต็มที่แล้วมันจะนิ่งมันจะเสดความว่างว่างจากแรงดึงดูดทั้งปวงเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาไหวนิ่งหลุดมันเป็นเอกภพตาลงไม่มีผู้เพ่งแต่สิ่งที่ผูกเพ่งโดดเข้าไปเป็นหนึ่งเดียว ไปลิ้มรสอารมณ์นั้นเลยใช้ธรรมในธรรมนั้นนะ่ะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญมรรคของเราเจริญมรรคคืออะไรไม่ใช่เจริญสติฮะคือใช้สติเมื่อเราเดินออกจากป่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีเห ว, ม, เหวมีบ่อเราต้องใช้ทุกอย่างสติสมาธิปัญญาไปเจอเหวเราต้องคิดว่าหาวิธีข้ามฝั่งให้ได้เราต้องใช้มันไม่ใช่ไปเจริญไม่ใช่ไปฝึกนะไม่มีเวลาฝึกละมรรคนี่คือ อ, อมัคจิจจิตเดินทางเราต้องเปิดโอกาสให้จิตมีโอกาสเดินทางนะเขาเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือนิพพานไม่ใช่มาฝึกวิชาสติสมาธิแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเป็นบาปฐานเบื้องต้นในการเดินทางแต่ถ้าเราไม่วางตรงนั้นไม่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราก็เข้าไปสู่จิตในจิตไม่ได้มัคจิตก็ไม่เกิดขึ้น นะเพราะครูพูดจากประสบการณ์ของตัวเองมันเกิดขึ้นกับพ่อครูหลังจากมันเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยชีวิตยี่สิเอ็ดปีของพ่อครูเนี่ยข้างนอกมันเป็นมาร์กหมดเมื่อเป็นนับจิตมันเป็นมาร์กแล้วข้างนอกมันกลายเป็นมาร์กหมดโดยไม่ต้องไปอาศิลวิอาศัยศิลวินัยมาบังคับมันให้คนมาบังคับเอาปืนมาจี่ให้ทําอะไรนอกลกนอกฐานมาร์กมันทําไม่ได้มันไม่ทํา มันไม่ต้องอาศัยศิลวินยัยหรือข้อกำกับมาบังคับมันเพราะข้างในมันเป็นมัเขาเรียกว่าอินไซเอานะเมื่อจิตมันมีปัญญาแล้วมันไม่ง่ที่จะไปทำอะไรที่มันไม่มีสาระ มันเป็นเองฮนะเป็นมรคจิตนะเอาเป็นว่ามรคภายในกับมรคภายนอกเป็นเหมือนกันเมื่อเข้าไปข้างในยังไม่ได้ข้างในยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ใช้มรคภายนอกซึ่งเป็นสิลวินยัยตรงนี้มากากับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปสร้างกรรมใหม่อันนี้ก็เดินคู่กันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องทําให้ข้างในเป็นมรคเมื่อข้างในเป็นมรคแล้วข้างนอกมันเป็นมรคโดยปริยายร้อยเปอร์เซ็นนะอันนี้ช่วงนี้ก็อ ว่าจะพูดไม่ค่อยเยอะก็กินเวลาเลยไปสิบนาทีนะกเ็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าสู่การเจริญมากของเรานะแล้วก็ที่ท่านที่มาใหม่เนี่ยก็ให้ทำตัวสบายๆนะที่นี่ไม่มีคำว่าเก่งใจนะเราเวี่ยงใจทิ้งหมดแล้วมีแต่จิตนะ จิตซึ่งมีเมตตาแล้วก็มีอะไรขาดตกบกพร่องเนี่ก็ปรึกษาญาติธรรมที่นี่ไม่ต้องโทษใครนะฮะศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีกติกาแม้แต่หนึ่งข้อนะเออบางคนบอกเฮ้ไม่ไม่ไม่กติกาควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ก็ฝากไว้แค่สองอย่างนะเพราะเดี๋ยวเราไม่สบายใจนะนะเออหนึ่งไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนสองไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ศาลาแห่งนี้เปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงกลางคืนสามสี่ทุ่มถ้าคนมีจิตที่ไม่อยากหยุดยจะยาวแค่ไหนก็ยาวไปนะก็ใครมีเวลาเท่าไหร่จะมาใช้ประโยชน์ก็ก็เชิญได้นะไม่มีข้อบังคับ อ, อถ้าเราตั้งกติกาปุ๊บมันจะมีคนผิดผิดแล้วต้องมาให้อภัยอีกไม่ไม่ต้องเสียเวลาให้อภยัยไม่มีคนผิดดีกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วนะให้มันเกิดจากสํานึก ที่นี่เราสอนเด็กๆ เ, เราไม่ได้เราไม่ได้ปลูกจิตสํานึกเขานะเราไม่บังอาจสมองเรามันโง่มากประสบการณ์ชีวิตนี่เราโง่มากเรามาปลูกจิตสํานึกที่เขามีอยู่แล้วนะี่ะให้มันเกิดขึ้นเองจากสํานึกของเขาไม่ใช่มาปลูกมาบังคับตัวต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของจีิปลูกให้มันตื่นขึ้นมามันมีสํานึกอยู่แล้วจิตมันอายุตั้งหลายล้านชานะมันมีนะเมื่อเขามีสํานึกแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทํานะ ก็มีแค่สองอย่างที่เตือนตัวเองว่าอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะก็สุดท้ายนี้พ่อครูก็ขอรัตนาคุณประสีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่เราได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาส่วนหนึ่งให้คุ้มครองดูแลให้พวกเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขันยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน